Tango, Tango, Tango, คือถ้าๆโดยเฉพาะก็เป็นอันว่าเจงเห่ากันตายต่อมา นึกตุนําหน้าป้าหน้าลุงดิน ก็ดูใจ the Gasub and d Jin That's a guest Tim Yeuckle. Prie Nick Unai พี่เจา doll, The Cast and พี่ Cristz, the Shop bin My quality. delegate a good friend and a suite of the Yan 這ock cav절ок family. corridmmway back up to theueling ofzetelui position to mammals you would find aí people carrying all these two wäl agua ti the way to hunt back some women'sこれで has chosen thanks for Gooi. Moe. J. B. M. 6. L. G. M. I. N. J. De. M. I. K. A. W. E. J. E. L. E. N. T. A. D. U. I. J. E. C. H. U. I. U. N. O. ช่วยเหลือการงานส่วนกลางและ Houd je onbegrepen dat je had, dat je niet ging matchen, maar de kan 18,000 บาทถ้า 4 ปีก็ 72,000 บาทแล้วคุณเดินฉายคอมันรับ 2 คน 4 ปีทุน 72,000 บาทจะ แต่ว่าทุนที่ได้มาก็ได้จากมาได้จากท่านผู้มีคุณ แต่ข้าก็สารไม่ได้คิดเกิดความ หลังนั้นจากนั้นตุไรก็บอกว่าพี่คุยไปคุยมานะนี่ใครนําเอาปีกอะไรมาส่งปีกมาวางท่านเท่าแก่ที่ขาย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 ja, nou, kwaad, ze, maak, als, zon, bra, pin, bak, jamp, kan, chop, maak. Tang, nip, ho, rai, poe, wa, meer, hond, meer, met, media, noir, vitamin, protein, met, met, met, met, met, met,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 bij กรมความของทั้งพี่แก้วทั้งพี่แก้ว การให้การบริโภคเป็นยังไงพี่แก้ว ik heb een paar een gewerkt, maar ik heb het Ik heb geen tijd meer voor het Ik heb geen tijd meer in het kijken. Ik Ik heb geen tijd meer voor het kijken. Ik heb Ik heb เวลานั้นที่วัดนี้ไม่มีอะไรกุฏิโครงเครียง 2-3 หลังก็ก็ปรงพี่ก็อยู่ที่ถุนบ้างอยู่ เวลานั้นเป็นนวากถโวบวชอยู่ทนุปู่ก็ท่านนวากถรเทนะวากถรตั้งคุยกันมัน thans geven duur in kaart aan die piet mag en weinig en geven ze een mooie en geven de een mooie en geven ze een mooie ze een mooie en geven ze een mooie en geven ze een mooie een mooie en geven ze een mooie en geven ze een mooie een een เข็มขัดคล้องคอด้วยลูกกระพวนด้วยถ้ามีเข็มขัดสอง maar er is een lot en een lot en je gaat naar de tanda en je gaat naar de midden, je gaat naar de naar de polen. Je bent wel aan het voetje, je wel aan wel โอกาสที่จะช่วยหลวงปู่มีน้อยเกินไปก็อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ไรก็ถามว่าถ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เวลา เป็นนั่งมาเห็นที่นั่นที่นี่ก็ทำงานกันว่าเดี๋ยวเราจะแสดงอะไรออกมาก็จะเกกกาที่ทำงานเขาเค้าจะทำงานกันดีไม่ดีเค้าก็จะรำคาญถ้าไม่รำคาญเค้าดูเพลินเกินไปไม่ได้ทำงานอีกเป็นอันว่านักเรียนรุ่นพี่คือรุ่นต้นที่ฟังแล้วก็ต่างคนต่างยิ้มแล้วถ้า 2 ท่าน 2 คนนางฟ้า 2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 หลังจากนั้นพี่แก้วกับพี่แจ๋วก็ได้ฟังว่า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 เจ้าเอ้ยพ่อจะไปธุระนั่งเฝ้าอยู่ 4 ด้านของโกฏิแล้วก็มี Tukken kon, tuktuur zal niet houden, niet doen. Allemaal dingen, Maar als we de deur de deur openen, wat gebeurt er? Als we we de deur openen, wat gebeurt er? Als Als คราวนั้นนุโปอยู่ท่านมาเดินจงกรมข้างพระด้านพระพุทธโสธรเก่าเวลา 2:00 น. น, น, นตี 3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 พี่ชายท่านมาอยู่ 2 หม้อตอนเช้าแล้วก็เอาผัก แต่ก็ใสที่พระท่านมีเมตตาพี่ก็มีความจง ย่านบริเวณนั้นทั้งหมดเป็นป่าเป็นป่าช้าเก่าเป็นต้นไม้รกรอบๆกระทั่งห่างมากห่าง อีกเครื่องหนึ่ง 20 นาทีก็ปรากฏว่ามีชาย 3 คนว่า พอให้ 2 คนมันก็วิ่งมารวมดำทิ้งดำก็ส่งเสียงโฮกพอโฮกกันทั้ง ในแม่ขโมยโดดน้ําไปเราก็ไม่โดดกลับมาใหม่กลับเข้ามาถึงก็มาอยู่ที่นั่นกลับมาที่เดิมนอนแบบสบายสบายแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นพระผู้ใหญ่ในสมัยนั้นคือว่าไม่ใช่พระใหญ่ที่ไหนนะที่เอาพระเจ้าหน้าตำบลเจ้าหน้าอำเภอจังหวัดอันนี้ไม่ได้คําว่า Maar Ben Dag in je Ben P1, Lemmer Ben p was het is anderhalve dag, het me een lange dag. we zeiden, mijn jan, maar, ik kan een dag, ik kan nog een dag, een een กำลังใจของพี่แต่ทุกตัวก็มีความรู้สึกว่าท่านผู้ ik heb een paar Ik heb een paar dagen in de huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige huidige เมื่อเจ้าไล่ฟังตอนนี้เจ้าก็บอกว่าอาศัยที่พวกพี่มีความจงรักภักดีกับพระและก็ <S an> <S an> สุนัตของลูกปู่ที่ตายตายไปแล้วมีมั้ยไปอยู่ที่อื่นนอกจากสวรรค์ชั้นดาบดึงพี่แก้วก็บอกว่ามีเยอะพี่แจ๋วบอกว่ามีเยอะแยกทําไมมีอยู่ในเขตชั้นจาตุมหาราชก็มีชั้นดาบดึงก็มีที่ยามมา ที่แจก็บอกว่าตัวอย่างแท่งโคศกเทพบุตรแท่งโคศกเทพบุตรนี่ก็เป็นสุนัขเหมือนกันเมื่อตัวตายจากความเป็นสุนัขก็ไปเกิด mij wie man tong kamp met die jong, minaal fan en kan me wel je wan. Sien dang kikong jimmy namaal kors op te verboet. Sanda pok p in kummies apartment kors op te verboet, men kan. July en Tawa, de jongen ban de mij. Peter Sung over p, prabbele de d-manager, ก็เป็นอันว่าวัดนี้พี่แก้วบอกแต่พี่แก้วนี่ตายตั้งแต่ตึกยังไม่มีหลวงปู่ยังอยู่กับตอ๊บเค้าอยู่มาอยู่ใหม่ๆปลูกกระท่อมอยู่ที่โคนต้น en het en het niet weet, dan moet je het niet weten. Als het het dat het het dat het ตัวหลายก็หันมาถาม ถ้านําความเป็นคนแก่ไปไปนิรเทวดานางฟ้า แต่ใช้วิธีไหนก็ไม่สารกําลัง พระณีอ่านนี้เป็นนักปฏิบัติอย่าพึงแปลกใจว่าทําไมถึงโกรธเกขนาดนี้ที่ความจริงเนี่ยไม่ได้โกรธมันเรื่องนิทานทั้งสองก็บอกว่าต้องการพบ อายใหญ่ที่มีความสําคัญก็คือป้าอ้วนป้าอ้วนนี่เป็นลูกลุงถึงดอกเป็นคนที่มี จะอยู่ข้างหลวงปู่ทุกวันเว้นเวลาหลวงปู่นอนจําข้างห้องจําวัดป้าอ้วนก็จะนอนหน้าประตูถ้าหลวงปู่เปิดหน้าต่างป้าอ้วนจะนอนคร่อมประตูถ้าที่มีแขกป้าอ้วนจะนอนหลับ ทายิบของมลายป้าอ้วนเห็นมานั้นเป็นกระโจนกระโจนใส่กัดทันทีถ้า แล้วก็ส่งจะคืนในเค้าโอ๊ยก็มองดูแล้วไม่เค้าแล ฝ่ายกันถ้าเจ้าจิตอยู่ยามตั้งแต่ตอนเย็นที่หน้าบันไดถึง 6:00 น. จิตพอถึงวันที่ 3 พอเข้าวันที่ 4 ทํา 3 วันผ่านไปพวกทั้งหมดจะพักอ้วนจะอยู่ยามคนเดียวตั้งแต่เวลาตอนเย็นหน้าที่ใกล้ตกดิน นี่เป็นการรักษาความก็เป็นอนุว่าขึ้นชื่อว่าสุนัขที่อยู่ในกรอบของสงฆ์ที่ ในเมื่อสุนัขมีความรักในพระสงฆ์ตามบาลีทะเลว่าสังฆานุสติสำหรับท่านลุงรุ่นแรกที่มี ในเวลาพระหลวงปู่ลงไปเทศท่านลุงทินดอกจะนั่งข้าง ถ้าเวลาหลวงปู่เจริญกรรมฐานถ้าลงที่ดอกเห็นจะไปนอนข้างหน้าจะลุกจากที่นั่นต่อเมื่อหลวงปู่เจริญกรรมฐานเสร็จเพลิดกรรมฐานอาราธนาบรรดาท่านผู้รับฟังไม่ต้องก็อ่านคุยกันไปคุณมาระหว่างพี่กับน้องก็จบหมดเวลาที่